ความประพฤติของพระอรหันต์พระตถาคตอรหันต์ตัสมาสัมพุทธเจ้ า, านะความประพฤติของพระปเจกพุทธเจ้าเฉพาะส่วนความประพฤติของพระสาวกทั้งหลายเฉพาะบางส่วนเรียกว่าโลกตจริยาอันนี้เป็นจริยาแปดที่ท่านที่ท่านปฏิบัติกันเนี่ยนะคำเที่ยวของท่านเนี่ยท่านเที่ยวแบบมีหลักการานะแล้วเที่ยวของเราอะเทศการท่องเที่ยวเทีเ่ยวไปยังไงถ้าเราไปเที่ยวไปยังไง ไม่เหมือนท่านกันแล้วกันนะนีคือเที่ยของท่านเนี่ยเที่ยวไปแล้วดับทุกข์ได้ของเราเที่ยวไปแล้วประสบทุกข์อันนี้คือความต่างกันนะผลของการเที่ยวต่างกันเพราะวิธีการไม่เหมือนกันเนี่ยนะเพราะวิธีการของท่านดูสิท่านเที่ยวไปใน อ, อิริยาบดอายตนะสติสมาธิยานมักผลประพฤติประโยชน์แก่ชาวโลกท่านไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายเนี่ยนะ อย่างเช่นอย่างที่หนึ่งะประพฤติ ด, ด้วยอิริยาบท2องอายตนะ3สติ4สมาธิ5้าญาณเนี่ยนะสติสมาธิกายานก็เท่ากับเที่ยวไปด้วยอินทรีย์5นั่นแหละอ น, นะอิริยาบทกอายตนะนั่นแหละคือศรัทธากับวิริยะานะศรัทธากับวิริยนะนั่นแหละแล้วก็ผลของการเจริญอินทรีย์เหล่านั้นก็บรรลุอริยมรรผลของอริยมรร ก, ก็คือสามัญญผลผู้ที่บรรลุมรรไปที่ไหนก็ไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายใ น, ในที่หนึ่งอีกในหนึ่งอีกนัยยะหนึ่งบอกว่าบุคคลผู้น้อมใจเชื่อย่อมประพฤติด้วยศรัทธาด้วยด้วยศรัทธาเนี่ยนะศรัทธาในโสตาปฏิยังฆาธรรมผู้ประคองใจย่อมประพฤติด้วยความเพียรคือสัมมปทานผู้ประคองนะผู้ประคองใจ ผู้เข้าไปตั้งสติไว้ย่อมประพฤติด้วยสติคือสติปฐานสผู้ไม่ทําความฟุ้งซ่านย่อมประพฤติด้วยสมาธิคือเป็นไปกับฌานสี่ผู้รู้ทั่วรู้ชัดย่อมประพฤติด้วยปัญญาเพื่อแทงตลอดอริยสัจสี่ผู้รู้แจ้งย่อมประพฤติด้วยวิญญาณบุคคลผู้มนานสิการว่ากุศลธรรมทั้งหลายย่อมดําเนินไปทั่วแก่บุคคลผู้ปฏิบัติอย่างนี้ย่อมประพฤติด้วยอายตนะจริยา บุคคลผู้มนัสิการว่าผู้ปฏิบัติอย่างนี้ย่อมบรรลุคุณวิเศษย่อมประพฤติวิเศษด้วยวิเศษเจริยาคือสรปว่าท่านภาคเพียรปฏิบัติด้วยการเที่ยวไปด้วยตรงนี้เน้นพิเศษก็คือใช อินทรีห้าอินทรีห้าเนี่ยนะเจริญเน้นเจริญอินทรีห้าเที่ยวไปด้วยอินทรีห้าไปเพื่อเพิ่มภูมอินทรีห้าไปเพื่อเจริญอินทรีห้าในที่สุดอินทรีห้าที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ยังลงสู่อมะตะเนี่ยนะเหมือนอะไรเหมือนแม่น้ําแม่น้ำํำคงคาก็บอกไหลไปสู่ทิศปราจีนฉันใดนะทิศปราจีนคือทะเลนะไหลไปสู่ทะเลฉันใด ยี่ที่บุคคลเจริญแล้วทําให้มากแล้วก็ยังลงสู่อ ม, มะตะฉันนั้นเนี่ยนะไล่ไปสู่อ ม, มะตะนั้นจริยาอีกในหนึ่งนะจริยาด้วยมรแปดจริยาอีกในหนึ่งก็คือการประพฤติสัมมาทิฐิเรียกว่าทัศนจริยาเห็นอะไรเห็นอริยสัจประพฤติสัมมาสังกปะชื่อว่าอภิโรประนะจริยา ประพฤติเพื่อในกุศลสังกปปะสามสำ ม, มาวาจาเนี่ยปริคหะจริยาถือเอาโดยรอบเพื่อจะเว้นจากมิจฉาวาจาเนี่ยนะสำ ม, มากรรมต่านิสมุทฐานะจริยาก็คือเป็นสมุทฐานาแห่งการทําดีสัมมาอาชีวะนี่เรียกว่าพุโวฐานาจริยาเป็นความประพฤติอย่างพองแผ้วสัมมาวายามะปักคหะจริยาประพฤติด้วยความภาคเพียรสัมมาสติเรียกว่าอุปฐานะจริยาคือการตั้งมั่น สัมมาสมาธินี้เรียกว่าอาวิเคปเจริยาคือความไม่ฟุ้งซ่านอันนี้เรียกว่าเจริยา8ประการ น, นี่จะเรียกว่าเพียงผู้เดียวเนี่ยนะคำว่าเที่ยวไปแต่เพียงผู้เดียวเหมือนหน่อแรกคำ ว, ว่าชื่อว่าแรกนี่มีหน่อเดียวมิได้มีสองหนอ่อฉันใดไม่เหมือนเขาใช่ไหม เขาเขาควายเขากระบือเป็นต้นเนี่ยมีอยู่สองเขาแต่ว่าหน่อแรกมีหน่อเดียวเหมือนปลาแรกก็มีอยู่อันเดียว น, ะนั่นนี่พนระปัเจกพระพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะย่อมเป็นเหมือนกับหน่อแรกเช่นกับหน่อแรกเปรียบด้วยหน่อแรกฉะนั้นเหมือนอะไรเหมือนรสเค็มจัดสิ่งที่เค็มที่สุดเรียกอะไรเค็มจัดเรียกว่าเกลือขมจัดเขาเรียกว่าอะไรเหมือนกับของขมเช่นบวบขมเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหวานจัดก็เรียกเหมือนอะไร เหมือนน้ำพึ่งร้อนจัดเขาเรียกว่าเหมือนไฟถ้าเย็นจัดก็เหมือนหิมะถ้าห่วงน้ําใหญ่เขาเรียกว่าทะเลพระอริยาสาวกผู้บรรลุ ม, มหาอภิญญาและพระธรรมท่านกล่าวว่าเหมือนพระพุทธเจ้าฉันใดพระประเจ ก, กับพะพุทธเจ้าก็ฉันนั้นย่อมเป็นเหมือนกับหนอแรดเช่นกับหนอแรดเปรียบด้วยหนอแรดเป็นผู้เดียวไม่มีเพื่อน มีเครื่องผูกอันเปลื้องแล้วย่อมเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วเดินไปพักผ่อนรักษาบำรุงเยียวยาในโลกโดยชอบเพราะฉะนั้นจึงเชื่อว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหนอแรดสรุปในคถาว่าพระประเจกพรพุทธเจ้านั้นกล่าวว่าบุคคลวางแล้วซึ่งอาจยาในสัตว์ทั้งปวงไม่เบียดเบียนเหล่าสัตว์แม้ผู้ใดผู้หนึ่งสัตว์ใดสัตว์หนึ่งไม่เพึงปรารถนาบุตรจากปรารถนาสหายมาจากที่ไหน พึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุดนอเล็ดชอบมากก็คือเที่ยวไปเนี่ยนะตรงเนี้ยสาระอยู่ตรงเนี้ยคาว่าเที่ยวไปเนี่ยนะไอ้ส่วนรายละเอียดอย่างอื่นไม่ใช่ปัญหาแล้วขอให้มันได้เที่ยวมีเครื่องมือในการท่องเที่ยวจริงเถื่อนะมีอุปกรณ์ในการท่องเที่ยวเดินไปตามไหนบอกถนนสายมักแปดอะไรเงี้ย น, นะส่วนรายละเอียดแล้วค่อยว่าอีกทีหนึ่งจะไปกับใครไม่ไปกับใครก็เอาเถอะแต่ที่สําคัญก็ให้ไปตามมักแปดนั่นแหละจึงจะทําที่สุดแห่งทุกไม่ใช่ว่าไปแต่ผู้เดียวแล้วก็ไป ไม่ใช่น้อยเลยนะแหมผมเนี่ยบื่อเต็มทีผมอยากไปเล่นแล้วก็ไปไปเล่นไม่ทําอะไรก็ไปนั่งนับต้นไม้ไวหญ้าดีไม่ดีก็ไปเรียนโน้นพฤกษชาติที่ไหนได้เนี่ยว่าไปเรียนอริยศาสตร์ในป่าไปพิจารณาอารยศาสตร์ไม่หรอกไปหาขุดต้นไม้ไวหญ้าดีไม่ดีไปทางป่าดีไม่ดีไปมามาๆไปสร้างวัดเฉยเลยกันนี่ในที่สุดก็กลายไปเป็นเจ้าวาดยิ่งก็ ถ้าโยเป็นโยนะั้นมีเรือนหลังเดียวถน้ามานรู้กี่หลังต่อกี่หลังบริหารไปเถอะศาลาเลยเช็ดทูไปเอะขั้นในอัตถกถาสุตตานิบาตหน้า132ย่อหน้าที่บอกว่าการพนานาเนื้อความตามบทในคถาเพียงเท่านี้ก่อนแต่บัณฑิตเพิงทราบโดยอนุสนธิการเชื่อมโยงแห่งการอธิบายอย่างนี้ว่า อาจยามีประการดังกล่าวนี้ใดอันบุคคลให้เป็นไปคือไม่วางในสัตว์ทั้งหลายครั้นเมื่ออาจยานั้นอันเราไม่ให้เป็นไปแล้วในสัตว์เหล่านั้นคือสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยนะมีแต่มุ่งลงโทษต่อสัตว์อื่นแต่เราไม่เป็นเช่นนั้นไม่ได้มุ่งลงโทษต่อสัตว์อื่นการมุ่งลงโทษต่อสัตว์อื่นคือทำอะไรก็คือการทำทุจริตกรรมกับคนอื่นเนี่ยนะทำทุจริตกรรมทั้งกายทุจริตวจีทุจริตแร มโนทุจริตเราไม่ทำอย่างนั้นเราเชื่อว่าวางอาจยาคือวางทุจริตกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตในสัตว์ทั้งปวงแล้วด้วยเมตตาเมตตานี้เป็นปฏิปักษต่ออาจยาเป็นปฏิปัติต่อทุจริตด้วยการนำเข้ามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์อื่นเพราะเราวางอาจยาได้แล้วเนี่ยนะวางวางโทสะเจริญแต่อโทสะน้อมเมตตาเข้าไป ชื่อว่าไม่เบียดเบียบนบรรดาเหล่าสัตว์นั้นแม้สัตว์ใดสัตว์หนึ่งให้ลําบากเหมือนสัตว์ทั้งหลายที่ไม่วางอาทยาผู้ที่ยังไม่วางเนี่ยเดือดร้อนเนี่ยใช่ไหมอาจผู้ที่ไม่วางอาทยา ย, ย่อมเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายใช้ท่อนไม้ใช้ศาตราใช้ฝา่ามือใช้ก้อนดินฉะนั้นแต่เรานี้อาศัยเมตตากรรมฐานนี้แล้วพิจารณาเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณในสัตว์เหล่านั้นและสังฆะธรรมอื่นจากนั้น พิจารณาเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์และวิญญาณขันธ์และสังคตะอย่างอื่นโดยโด้วยอะไรทิฏฐิวิสุทธิกังขาวิตรณวิสุทธิมค า, ามค า, ายานทัศนวิสุทธิปฏิปทาญาณทัศ น, นวิสุทธิและญาณทัศ น, นวิสุทธิจึงบรรลุปัจเจกโพธิญาณ เรื่องราวต่อไปอีกนิดหนึ่งเมื่อพระปเจกัพะพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังอย่างนี้จบแล้วอ ม, มาตะเหล่านั้นก็กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้พระองค์จะเสด็จไปณนะที่ไหนลําดับนั้นพระปเจกัพะพุทธเจ้า ก, ก็ระลึกว่าพระปกกระเจกัพะพุทธเจ้าองค์กรๆท่านอยู่ที่ไหนก็รู้แล้วตรัสว่าที่ภูเขาขันธม า, ม, มารอมาตะก็กราบทูลต่อไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัตรนี้พระองค์ทรงทอด ท, ทิ้งไม่ทรงปรารถนาพวกข้าพระองค์อย่างนี้ พระปเจก็ตรัสว่าบุคคลไม่พึงปราถนาบุตรอธิบายว่าบัดนี้เราไม่พึงปราถนาบุตรแม้คนใดเลยไม่ว่าบุตรที่เกิดจากตนเป็นต้นจะพึงปราถนาสหายผู้เช่นกับท่านมาจากที่ไหนขนาดลูกเรายังไม่เอาไปด้วยเลยนะจะเอาท่านไปทำไมวังเงินเพราะฉะนั้นแม้พวกท่านทั้งหลายผู้ใดต้องการจะปจะไปพร้อมกับเราผู้นั้นก็ต้องเหมือนเราอนต้องเป็นอะไร เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าเหมือนเราผู้นั้นก็จะเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรกอันนี้อธิบายอีกในยันหนึ่งอีกในหนึ่งบอกว่าพระประเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้อันอมาตเหล่านั้นทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบัดนี้พระองค์ทรงทอดทิ้งไม่ทรงปรารถนาพวกข้าพระองค์เลยแมน้อยใจนะแม่น่าจะเอาพวกเราบ้างนะผู้อุตสาห์ทำบ้าทุกขมทุกอย่างรับใช้พระองค์มาเป็นอย่างดี โปรงน่าจะอะไรอาโว์มั่งนะอย่างไง น, น่าจะน่าจะอะไรไคอยอยู่ดูแลคอยแนะนำสั่งสอนนอยท่านก็ตรัสว่าเราไม่พึงปรารถนาบุตรจะพึงปรารถนาสหายมาจากที่ไหนทรงเห็นคุณแห่งการเที่ยวไปแต่ผู้เดียวของพระองค์โดยเนื้อความตามที่กล่าวแล้วพระองค์ก็พระมีพระปรามโมทเกิดปีติสมนัตก็เลยเปล่งว่าเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนนเร พระประเจกพระพุทธเจ้าครั้นตรัสอย่างนี้แล้วเมื่อมหาชนเพ่งดูอยู่นั่นเองก็เหาะขึ้นทางอากาศสเสด็จขึ้นไปภูเขาคันธมาศก็ทางดําเนินของพระอริยะเหล่านี้ยากที่บุคคลที่จะรู้ได้เนี่ยนะเพราะท่านไปสู่ที่ดับทุกข์ท่านไปสู่ที่สงบทุกข์โดยใจก่อนโดยร่างกายท่านก็ไปหาที่หรือกเกรนก็เหาะไปสู่เขาคันธมาศเขาคันธมาศนั้นเลยภูเขาเจ็ดลูกในหิมวันแต่ประเทศคือจุลการบรรพตมหาการบรรพต นาคาปริเวธนาบัรพศจันทสัมภระบัรพศสุริยพระบัรพศสุริยสัมภระบัรพศสุรสรสวรรณปั ส, สะบรรพศและก็หิมวันตะบรรพศเนี่ยนะก็เป็นพระประแจพระพุทธเจ้าจะได้เหาะไปดูบ้าง เมื่อวานโยงเขามาถามว่านี่คําสุดท้ายเนี่ยขอให้ข้าพเจ้าพึงได้ยานเป็นเครื่องรู้เฉพาะตนอันสูงสุดเถิด น, นี่แปลว่าพระตาพระเจกขะพพุทธเจ้าใช่ไหมขอให้มันบรรลุเถอดมันบรร ล, อลุอะไรก็บรรลุเถอดเนี่ยนะจะบรรลุท่าไหนกะใครเมื่ อ, อไหร่อย่างไรก็ไม่ต้องไปหนักใจหรอกคือคําปรารถนาเนี่ยท่านก็บอกว่าสรุปว่าจะด้วยวิธีใดอย่างไรยังไงขอให้มันรรลุไม่บรรลุชาตินี้ก็บรรลุชาติ ถ้าชาตินี้บรรลุได้ก็ดีถ้าชาตินี้ยังบรรลุไม่ได้พระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาก็ขอให้บรรลุพระพุทธเจ้ามาแล้วอีกก็ยังไม่บรรลุอีกก็ให้บรรลุเป็นพระปจเจกก็สรุวะขอบรรลุอย่างเดียวว่างั้นนะอะไรก็ช่างแต่ให้มันบรรลุเถอะใช้ได้แล้วนะมีข้อแม้มากก็หิวตายเลยงั้นนะต่อไปว่าที่ภูเขาคันธมาสนั้นมีเงื้อมผาอยู่สามเงื้อมคือนันทามูลกะเป็นที่อยู่ของพระปจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลาย แล้วก็มีคูหาสามคูหาแปลว่ามีสามถ้ำสุวรรณคูหานนก็ถ้าทองมณีคูหาถ้าแก้วมณีรัชตะคูหาก็ถ้าเงินมนีไม่ยากเอาสีเงินสีทองไปทางก็เป็นแล้วที่ภูเขาคันธมาศนั้นมีต้นไม้ชื่อว่ามันชุดสกะที่ประตูมณีคูหาสูงหนึ่งโยดกว้างหนึ่งโยดโอทําใหญ่16กกิโลต้นไม้บานสะพรั่งทั่วอ สะพังทั่วไปในน้ําไม่ว่าจะเป็นบกโดยพิเศษในวันที่พระประเจกับพุทธเจ้าเสด็จมาถึงข้างหน้าต้นไม้นั้นมีโรงรัตนทุกอย่างในโรงรัตนานั้นลมพัดสําหรับกวาดลมพัดหยากเยื่อลมพัดเกลี่ยพื้นลมพัดทรายที่แล้วด้วยแก้วทุกอย่างให้ราบเรียบลมพัดลมสําหรับรดย่อมกระวอยยักพัดเอาน้ําจากสาดโดนดาดมารด ลมสําหรับทํากลิ่นหอมก็พัดเอากลิ่นหอมของต้นไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งหมดมาจากภูเขาคันธมาศลมสําหรับโปรยย่อมพัดเอาดอกไม้ทั้งหลายมาโปรยลงลมสําหรับปูรา่ย่อมปูร่าในที่ทั้งปวงไม่ได้บอกว่าลมนี้เกิดจากบุญของพระประเจกหรือว่าเกิดจากเทวดาที่อยู่ตรงนั้นประสงค์บุญเนี่ยนะก็ไม่ได้บอกอาจะบอกเอาแต่รายละเอียดก็แล้วกันไอตรงนี้แหละ ท, ที่เรียกว่าคนที่ไม่รู้ตลอดสายโดยมากก็ ตำหนีไงคนที่ไม่เชื่อนะอ่านยังไงมันก็นี่นี่มันเกินไปกว่างั้นจะเป็นไปได้ยังไงเอาแต่ความอะไรนะของตัวเองไปเปรียบกับคนอื่นนั่นแหละเอาชอบเอาไปเปรียบกับผู้ที่สั่งสมบูรณ์มาสองอสงไขาบางทีเนี่ยไปเปรียบกับพระเจ้าด้วยคนอะไรคลอดมาแล้วพูดได้เดินได้แนั้นเกินไปกว่ากันเอชอบเอาตัวเองไปเปรียบเนี่ย จะให้ท่านแบบอะไรเหมือนกระตัวสิทางถ้าเหมือนตัวทุกอย่างรับได้ใช่ถ้าพิเศษกว่าตัวแล้วรับไม่ได้เ้ยคนอะไรจะปานนั้นในวันที่พระประเจกพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเนี่ยนะและก็ไม่ว่าจะวันเกิดขึ้นหรือวันอุโบสถพระประเจกกระพุทธเจ้าทั้งปวงก็นั่งประชมที่ในที่เหล่าใดที่อาสนะเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นที่ปูแลในที่เหล่านั้นทุกเมื่อนี้เป็นปกติของภูเขาขันธมาร คือที่ประชุมเนี่ยแต่เรียกว่าไปถึงนั่งไร่เลยพระประเจกขพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เองเนี่ยนะก็เสด็จไปสู่เขาคันธมาสนั้นประทับนั่งณนะอาสนะที่ปูราดไปแล้วจากนั้นถ้าในเวลานั้นพระปเจกขพุทธเจ้าแม้เหล่าอื่นมีอยู่พระประเจกขพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ประชุมกันในขณะนั้นนั่งบนอาสนะที่ปูแล้วครั้นนั่งแล้วก็เข้าสมาบัติบางอย่างแล้วก็ออกมาแปล ว, ว่าอะไรนะมาร่วม ของเราเนี่ยนะถ้าถ้าเข้าร้าอาหารเนี่ยสั่งอาหารมาแล้วก็ทานคุยกันใช่ไหมอันนั้นของเราทั่วๆไปเนี่ยเขารู้การเปรยบปราสายด้วยกินร่วมกันดื่มร่วมกันแล้วก็อะไรร่วมกันสักอย่างหนึ่งแต่ของท่านเนี่ยท่านเข้ามีโล ก, กุตรธรรมทุกคนก็จะเข้าพระสมาบัติเขาเรียกว่าบริโภคสมาบัตริร่วมกันเหมือนกันนั่งเข้าพระสมาบัติไม่รู้จะคุยอะไรกันเพราะว่าถ้าทุกอย่างเพื่อคุยก็เพื่อประโยชน์แก่กัน <c oughs> คือสรุปว่าการพูดการคุยการสนทนาทั้งหมดเนี่ยนะท่านในทางศาสนานี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานถ้าทุกคนทุกฝ่ายบรรลุมรรคผลนิพพานหมดท่านเหล่านั้นก็จะเข้าพระสมาบัติสบายเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นการปราศัยต้อนรับกันแบบสูงสุดแล้วนะทุกคนก็จะต้อนรับแบบพิเศษเข้าพระสมาบัติกันหมด นี่เวลาออกจากพระลสมาบัติได้เวลาสมควรพระสังฆรัตนะก็ถามกรรมาฐานกับพระปเจกพระพุทธเจ้ามาใหม่ว่าท่านได้บรรลุอย่างไรเพื่อประโยชน์แก่ ก, การอนุโมทนาของพระปเจกพระพุทธเจ้าทั้งปวงในครั้งนั้นพระปเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นก็อุทานคถาและพยากรคาถาของพระองค์นั่นแลเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าที่พระนลถามพระองค์ก็ตัดคาถานี้เหมือนกันแต่ละคาถาเนี้กล่าวไว้ถึงสี่ครั้งสี่ครั้งมีอะไรบ้าง นึ่งฐานะที่พระเจ้าพรหมทัตตรัสรู้โดยชอบซึ่งพระประเจกโพธิยานพวกอมสาธ ถ, ถามอันนี้ครั้งที่1ครั้งที่สองตรัสที่มันชุตสกามาลาครั้งที่สพระพุทธเจ้าตอบพระนอนต์เมื่อทูลถามครั้งที่ 4. ตอนสมัยทมสังขยนาครั้งที่ 1. ด้วยประการชนีคาถาเดียวนี้แสดง4ครั้งอันนี้แบบใหญ่ๆนะที่ไปแสดงแบบทั่วๆไปก็ต่างหาก อันนี้ก็จบข้อความในเรื่องที่หนึ่ง